บ, บูชาพระปรตนาไตรบารชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทศยนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบกระวะหลวงพ่อกลมพระอาจารย์ชัดชัยพระอาจารย์แจ็คพระอาจารย์อัจราเพื่อนศาสตธมิกแล้วก็เจริญพรม่ยังแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน ก็นั่งกันตามปกติเนาะว <c oughs> ันนี้ก็ตรงกับวันที่20เมษายนนะเป็นวันอาทิตย์นะพุทธศักราช2557นะก็หลังจากที่เราได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนนะเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นธรรมเนียม เป็นสิ่งที่เราทำเป็นจิจวัตรประจำวันนะมาสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณนะ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมกันก่อนที่เราจะมาทำวัดนะเราก็ได้อาบน้ำชำระร่างกายนะให้มันสดชื่นนะอากาศร้อนนะเราก็ใส่น้ำ นะช่วยทำให้ร่างกายเรามีความชุ่มชื่นสดชื่นเจนะ็นสบายเรามาไหว้พระศพนุลนะก็เหมือนกับเราชาระใจนะด้วยการระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เป็นสิ่งสูงสุดที่เรายึดถือนะที่เรานับถือกันนะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามี จิตใ จ, ใจนะน้อมระลึกไปถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงความคิดใจิตใจของเรานะอาจจะคิดไปในเรื่องต่างๆนานาคิดดีก็มีความสุขคิดไม่ดีก็มีความทุกขนะ์เราได้มาชำระใจกันนะด้วยการใบพระสุดมนต นี่ก็ถือว่าเป็นการชำระใจนะยิ่งเรามีสตนะิมีความรู้สึกตัวกับบทสวดมนต์พิจารณาไปพร้อมๆกันนะใจมันก็อยู่กับแนื้อกับตัวนะมันก็ไม่ได้ไปวกแวกหรนะือไม่ไปนะคิดเรื่องนูนคิดเรื่องนี้นะนะเราก็ได้พิจารณาบทไปนะซึ่งเราก็จะเห็นได้ถึงนะ สิ่งที่เป็นคุณสมบัตินะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ที่เราจะน้อมนะเข้ามาสู่ตัวเราดูพระน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเรานะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็น้อมมาดูที่ว่าใจเราตัวเรารู้ตื่นเบิกบานหรือยังหนะรือว่ายังซึมซึมเศร้าๆลนะว้าวเวยอยู่นะอันนี้ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เราจะได้นำมาน้อมนำนะเข้าสู่ในใจเราเนะพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะที่ปรากฏที่แสดงออกมานะที่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองนะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการเวลานะเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาทั้งสิ้นะและก็ประสงค์ก็คือการประพฤติธปฏิบัตินั่นเองโดยเฉพาะอยยิ่งการที่เรามาวัดป่าสุกโต นะก็เข้าใจว่าทุกคนนะก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันนะที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนะซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้มากๆนะใกล้กับตัวเรามากที่สุดชีวิตเราส่วนใหญนะ่เราไปเรียนรู้เรื่องนอกตัวเยอะนะบางทีก็ทำให้เรามีความสุขนะบางทีก็ทำให้เรามีความทุกขนะ์บางทีก็มีโศกเศร้าเคล้าน้าตา นะบางทีก็สุกสดชื่นนะกะปี้กระเปานะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการไปเรียนรู้เรื่องข้างนอกนะแต่เรามาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราก็กลับมาเรียนรู้มาดูที่กายที่ใจของเรานะมีคนเขาเคยเขียนเอาไว้นะโลกภายนอกกว้างไกลใครๆ ร, ร, รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม จะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในให้มองตน น, นี้ก็เป็นกรอนที่เขาแต่งไว้ดีมากที่เรามาที่นี่นะเราก็กลับมาดูโลกภายในตัวเราทีนี้การที่จะกลับมาดูโลกภายในตัวเราได้นั้นเราไม่สามารถที่จะใช้ตาเนื้อดูได้ตาเนี้อไว้สําหรับดูโลกข้างนอกนะะ เราจำเป็นจะต้องอาศัยตายชนิดหนึ่งก็เรียกว่าตาใจนะตาใจก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองซึ่งความรู้สึกตัวเนี่ยพวกเรามีอยู่แล้วทุกคนนะแต่ที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวสามัญเป็นความรู้สึกตัวตามสัญชาตญาณนะมันยังไม่เพียงพอบางทีอารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีมันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เท่าทัน การที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดกระดีไม่รู้เท่าทันอารมณ์ก็ดีนะบางทีก็ทําให้เราหลงนะหลงไปในความคิดหลงไปในอารมณ์นะความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตนะถ้าเป็นอดททีตที่มีความสุขนะเราก็รู้สึกสุขขึ้นมาถ้าเป็นอะดีตที่ทุกข์เราก็ทุกข์ขึ้นมานะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิด นะหรืออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนะอาการโกรธนะอาการหงุดหงิดนะฉุนเฉียวอาการเบื่ออาการเซ็งอาการเหงาว้าวเวนะนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในตัวเราถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะเราก็จะตกจมไปอยู่ในกระแสอารมณ์เหล่านี้ตกจมไปอยู่ในกระแสความคิดเหล่านี้ พรั้จิตใจของเราเนี่ยก็จะทําให้ไม่เป็นปกตินะเป็นสิ่งที่เราก็พัดหลงนะไปในกระแสของอารมณ์ไปในกระแ ส, ะ ข, ออะสะของความคิดั้ตอย่างไรที่เราจะถอนตัวานะจากกระแสะอารมณ์กระแสะความคิดเหล่านี้มานะวิธีการนันหนึ่งมานะที่พระพุทธองค์ได้นําเสนอไว้นะเมื่อ2องพหกร้ปีที่แล้วนะก็คือการที่เรามาเจริญสติปัฏฐานนั่นเองนะ การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางหรือเป็นสิ่งที่สามารถที่ทําให้เราถอ น, นาจากความทุกข์ได้นะโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนะที่เรียกว่าทุกขอริยสัจเมื่อกี้นี้เราได้สาธยายมนไปนะเรื่องของที่พึ่งนะเราไปพึ่งวัตถุภายนอกไปพึ่งสิ่งภายนอกเนี่ยมันก็แก้ทุกข์ไม่ได้ แตนะ่ถ้าเรากลับมาดูที่กายที่ใจของเรามาดูกายใจของเรามันเป็นอย่างไรนะมันมีความทุกข์นะมันมีทางออกจากทุกข์นะมันมีวิธีการแก้ทุกข์อยู่ในตัวเรานะตรงนี้จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะนั้นเครื่องมือสำคัญนะที่เราจะใช้ในการดูเข้าไปข้างในนะก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมา ที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเรารู้นะความโกรธไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธอยู่เราห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมความเบื่อไม่ดีแต่ก็ต้งเบื่ออยู่นะตรง น, นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้มันนะโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะด้วยการฝึกเจริญสติอันนี้การฝึกเจริญสติเนี่ยมันมีหลายวิธี แต่ว่าที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราก็ได้นำเสนอวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งวิธีนี้ น, น่หลวงพ่อเทียนน่าได้นำเสนอไว้เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วแล้วก็เป็นวิธีการที่เหมาะกับคนในยุค ป, ปัจจุบันคนในยุคปัจจุบันที่ต้องมีการเคลื่อนไหวจะต้องลืมตาทาการนำงานาเราไม่ใช่อยู่ในสังคมเกษตรกรรมเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วที่เรามีชีวิต ไม่เร่งรีบอะไรชีวิตเรื่อยๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมสื่อสารนะที่จะต้องฉับไวและจะต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยจึงเหมาะกะับยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากนะเหมาะในหน้าที่ว่าถ้าเราฝึกให้เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํากลับ นะเอาไปใช้ในโลกในชีวิตในสังคมนะที่เรามีที่เราเป็นอยู่ได้ไม่เหมือนกับการที่เราไปนั่งนิ่งๆ น, นะบางทีเราไปฝึกแบบนั่งนิ่งๆหลับตาแล้วก็ไปจนแช่ยอยู่ในความสงบนะตรงนี้เนะี่ยมันก็เพียงแค่เราได้สมบุบอยู่ที่ตรงนั้นอย่างที่วัดป่าสกตโตเนี่ยนะเป็นวัดที่เงียบสงบนะ เรามานั่งสงบนิ่งๆจนดึงมีความสุขนะกับความสงบ ม, มันก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เรามีความสุขอยู่เพียงแค่ชั่วขณะที่เรานั่งหลับตาหรือเราจมแช่อยู่ในอารมณ์สงบนั้นเพราะฉะนั้นมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราจะไม่ไม่เน้นนะในการที่จะมานั่งนิ่งๆหลับตานะ แลวก็มันสมบนุ่งนิ่งไม่รับรู้อะไรไม่ต้องคิดอะไรนะแต่ว่าการเจริญสติโดยวิธีนี้เนี่ยเราลืมตาเราเคลื่อนไหวเราไม่นั่งนิ่งนทีนี้นบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวถ้าเคลื่อนไหวแล้วลืมตา้จะสงบได้ยังไงล่ะนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเจื่อว่าความสงบเนี่ยมันมอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นความสงบที่เกิดจากการที่เราตื่นรู้ ตื่นรู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางปล่อยวางในสิ่งที่เรายึดถือในสิ่งที่เราหลงไปนะเป็นความสงบที่เกิดจากการตื่นรู้ยังขณะที่นั่งฟังอยู่ขนาดนี้ถ้าเราสังเกต ด, ดูใจของเราเป็นปกติเฉยๆใช่ไนหะแล้วเรารู้ตัวไหมว่าเราเฉยๆอยู่เรานั่งฟังอยู่นะอันนี้ก็เป็นความสงบที่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นความสงบแบบตื่นรู้ ที่เราไม่ได้ไปสร้างมันมีอยู่แล้วนะทีนี้ถ้าเราสังเกต ด, ดูความสงบแบบนี้บ่อยๆ อ, อะไรมันเกิดขึ้นเช่นอากาศมันร้อนเราหมุดกิดขึ้นมาความผิดปกติมันจะแสดงออกมาแล้วเราก็จะเห็นชัดแล้วนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ความรู้สึกตัวที่เป็นสติที่เกิดจากการฝึกเนี่ยนะเอามาสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ แต่เพะนั้นตรงนี้เนะี่ยเป็นความสนบที่เกิดจากการตื่นรู้เพราะนั้นแม้แต่การยกลมือเนี่ยนะเราก็ไม่นั่งหลับตานะบางคนเนี่ยติด ก, กับการนั่งหลับตามายกมือก็ทนังหลับตาอยู่นะสมัยที่เอตมาไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนบอกไม่ต้องนั่งหลับตานะแต่วดานชอบที่จะถามคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆว่าอาปฏิบัติมาอย่างไรในเรื่องธรรมน้ดูซิส่วนใหญ่ก็จะนั่งหลับตากันนะ แล้วหลวงพ่อก็ให้ถอดนาฬิกาออกมาาถอดแว่นตาออกมานั่งนั่งหลับตาพอนั่งหลับตาเสร็จเนี่ยหลวงพ่อก็แก้งเอานาฬิกาออกไปนะเอาไปข้างหลังแล้วไปบอกอ่ะตื่นมาเป็นยังไงบ้างก็สงบดีแล้วนาฬิกาหายไปไหนไม่รู้ครับอ้าวหลวงพ่อเทือมมันตลบเนี่ยเรนไนั่งหลับตาอยู่ของมันหายเราก็ไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ย นะเรามาที่วัดป่าจกตะเนี่ยเราฝึกด้วยการเคลื่อนไหวอย่าไปนั่งหลับตานิ่งๆแม้แต่เคลื่อนไหวก็อย่าไนั่งหลับตาเพราะอะไรมันชนนื้อเราโดยเฉพาะคนเริ่มเต้นใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันหลักจะเลื่ยอยเคยมีคนมาปฏิบัตินะเข้ามาที่นี่เขาก็นั่งนิ่งๆอัตมาก็นั่งสงกแล้วล่วนะก็ไม่เข้าไปพูดอะไรเขา นายก็สงบไปรักษาสี่ครั้งก็ใครไปแก้แย่เขาบอกเป็นนายบ้างไปถึงสวรรค์ชั้นไหนแล้วานายมีความสนุกไหมนายมานั่งหลับตาทําไมเขาบอกเขาทาสมาธิครับ <g iggle> สมาธิแต่นั่งสงบ <descript> อะการเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนะี่ยไม่กล้าเผชิญกับความจรงิงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพราะนั้นเราลืมตาขึ้นมาเลยเผชิญกับสิ่งแวดล้อม แต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือให้เรามีความรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวการยกมือไม่ยด้ยกมือฟรีๆนะแต่ยกไปอย่างนั้นน่ะอาจารย์ก็บอกให้ยกก็ยกไปเพื่อนก็บอกให้ยกก็ยกไปแต่ไม่รู้สึกตัวนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยใส่เจตนาไปเลยนะที่จะรู้สึกตัวอย่าไปยกลอยไปยกแค่รูปแบบแล้วก็ใจก็คิดเรุ่นู้คิดเรื่งนี้คิดไปต่างๆนานาไม่รู้ตัวละ เพราะนั้นแรกๆนะนะใส่เจตนาที่จะรู้สึกตัวพลิกมือก็รู้ยกก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้มีเคลื่อนมืหยุดนะอย่าไปเคลื่อนโดยที่ไม่หยุดถ้าเคลื่อนแบบไม่หยุดเนี่ยมันจะอัตโนมัติไปละอัตโนมัติมันก็จ ะ, พะเพลินไปงันะนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีเจตนาเข้าไปเจตนาที่จะรู้สึกกายที่กายที่มันเคลื่อนไหวงานะในอิริยาบถการนั่ง แล้วเราก็ลืมตาะลืมตาก็มีลืมตาแล้วมองวอกแวกไปนู้นไปนี้ตาทอดต่ำลงสํารวมไม่เพ่งไม่จ้องนั่เหมือนกับพระเนี่ยท่านนั่งนะพระพุทธรูปเนี่ยท่านนั่งไม่ใช่เรานั่งดูนู่นนั่งดูนี่แล้วก็ยกมือไปยกมือมานะนั้นใจลอยละวอกแวกไปลนะไปนั่งเล้นแกล้งเนี่ยต้องตั้งใจดีๆนะมีเจตนาที่จะรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เป็นการเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพรา ะ, ะนั้นสังเกตไหว่าพระที่บวชใหม่เนี่ยอุปชาจะให้กรรมฐานเกสาโลมาทางตานขาอะไรเนี่ยนะประมาณหเนี่ยและตะกีก้นี้ท่านแจ๊กก้าพาสวดที่พิจารณาอาการสาสิบสองเนี่ยจริงๆก็คือการเรียกสิ่งที่ใจเราเนี่ย มันออก ไ, ไกลๆกลับมาพิจารณาสิ่งที่อยู่ ใ, ใกล้ๆตัวเราเส้นผมเล็บหนังขนนะตรงเนี้ยแล้วก็มองเข้าไปถึงข้างในอันนี้ก็คือเลือกใจกลับมาอยู่กันนิกับตัวมันเป็นอุบายนะที่จะเลือกมานะอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ที่เราทำเ น, นี่ะเรายกมือเนะี่ยเราไม่ต้องไปแยกแยะเลยไม่ต้องไปพิจารณาขนเล็บฟัน นังอะไรพนี้ไม่ต้องพิจารณาเลยแค่รู้สึกเคลื่อนไหวพอแล้วรู้สึกแค่นั้นเองเพียงแค่รู้สึกเฉยเเนี่ยไม่ต้องไปแยกแยะอะไรมันไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่ามันมันรู้สึกมืขึ้นมาอย่างไงเพียงแค่รู้สึกแล้วก็ทิ้งความรู้สึกนีเป็นความรู้สึกทีละขณะทีละขณะนะฮะรล้ทิ้งรู้ล้ทิ้งปล่อยวางไปเรื่อยๆนะแต่บางทีทันไปมันาจจะเผอบ้างเผอแล้วแล้วไปกลับมารู้สึกตัวใหม่ ไม่ไมนะ่เนี่ยมันจะรู้บ้างเผลอบ้างนะมันไม่รู้ตลอดกทีนี้ก็เราไปตั้งใจที่จะรู้ตลอดเนี่ยมันจะเพ่งจ้องแล้วมันจะมันหัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นประสบการณ์จะเพ่งจ้องจะเจตนาก็ทําลงไปเถอะเพราะว่าชีวิตความเคยชินของเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยได้กลับมาดูตัวเราเองเราไม่ได้เคยกลับมา อูกับเนื้อกับตัวใจเราก็คิดไปเรื่องการเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองมาไปสารพัดเนี่ยทีนี้นเรามาทําตรงนี้เนะ่ยเราเรียกความรู้สึกกลับมาอยู่กับหน้ากับตัวเนี่ยงานใหม่ๆมันก็เพ่งๆจ้องๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปรับไปนะตั้งใจเจตนาที่จะรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆการเดินจงกลมก็เหมือนกัน ระยะที่เหมาะคือแปดถึงสิบสองเก้าจะเดินไปเนื่อยนะห็นคนมาใหม่ๆบางทีเดินเบื่อเบื่อก็เดินวนรอบลานยิงโค้งเลยหนึ่งรอบสองรอบสามรอบใจก็คิดเพลินไปเพลินไปมันไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราควรกำหนดจุดนะแปดถึงสิบสองเก้าเดินกลับไปกลับมาในขณะที่กลับไปกลับมาเนี่ยแหละเราจะได้เห็นความคิดมันแวบขึ้นมา อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาตรงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่าไปห้ามมันแต่ไม่ตามนะมีความคิดไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมนรู้สึกตัวแค่นี้ทำซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกนะมันก็จะเป็นการเลือกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับมือกับตัวแรกๆเนี่ยมันก็จะรู้ที่กายเราเคลื่อนไหวหยาบๆก่อนงามือที่เราเคลื่อนเราไหวเนี่ยลึขาที่เราเดินเนี่ย นะพอเรารู้หยาบหยาบเนี่ยตอนหลังมันจะรู้ละเอียดเข้าไปอีกนะลงพัดเข้ามากระทบผิวกายมนะยนเย็นขนลุกตั้งชันขึ้นมากระพริบตาก็รู้หายใจก็รู้กินน้ํำลายก็รู้มันจะเริ่มสติเนี่ยมันจะเริ่มคมชัดขึ้นนะถ้าเราทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะนั้นการฝึกจเจริญสตินะ่ะมันต้องอาศัยการทําอย่างต่อเ น, นื่องแล้วทําซ้ําแล้วซ้ําอีก เพราะอะไรตรงนี้มันจะทําให้เกิดนิสัยขึ้นมาเป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยมีนิสัยตรงนี้เรามีนิสัยที่จะเพลินไปกับความคิดเพลินไปกับอารมณ์นะยิ่งโดยเฉพาะความสุขเราก็อยากจะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปความทุกข์เราก็ไม่อยากจะมีความทุกข์มันติดในอารมณ์เหล่านี้หรือติดอยู่ในความคิดโดยเฉพาะคนที่เรียนหนังสือมากๆเนี่ย ติดอยู่ในแง่ความคิดคิดนั่นคิดนี่วิตกกังวลนั่นวิตกกังวลนี่นะแต่ละมาที่นี่เนี่ยเราทิ้งให้หมดเลยนะความคิดทุกความคิดเราทิ้งให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดดีความคิดไม่ดีกลับมารู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวมันเด่นให้ความคิดมันด้อยลงไปความคิดเนี่ยมันก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งความรู้สึกตัวก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งสองตัวเนี้ยมันจะเป็นคู่ต่อันข้าม เหมือนกับร้อนก็มีเย็นหนักก็มีเบาเมื่ก็มีสว่างอันนี้มีคิดก็มีไม่คิดไม่คิดก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองให้สังเกต ต, ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นกลไกธรรมชาติที่มันจะช่วยปรับสมดุลเพราะฉะนั้นแต่ตอนเนี่ยเรามีความคิดมากนะมันหนักไปทางความคิดในหัวเรามันก็จะกลุ่มไปด้วยเรื่องความคิดเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องอดีตเรื่องอนาคต เรื่องอะไรต่างๆมากมายนะตนัวนี้บางทีก็ทำให้ลงมือบางทีเนะี่ยกลางวันมันคิดยัางไม่จบเลยนะเอาไปนอนฝันต่อนะเพราะนั้นเขาบอกกลางคืนมาฝันกลางวันมาคิดอันนี้คืออันเดียวกันแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยตัวความรู้สึกตัวจะเป็นตัวที่ทอนกำลังความคิดนะทำให้ความคิดมันมัมนหนักลดลงความคิดจุกคิดจิดคิดไม่อยากจะคิด ไม่ตัง้งใจคิดเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะมีความคิดแบบตัง้งใจคิดไม่มากขึ้นแต่ในการฝึกปฏิบัติที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ตัง้งใจคิดก็ตามที่ไม่ตัง้งใจคิดก็ตามทิ้งให้หมดเลยนะกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวนะตอนนี้มาแรงก็มามาเย็นๆเป็นธรรมดาเนาะฝนมันตก <c ười> กินนีไปดวนู know, ah, ้น well, ด้วยเชื no. ่อเชื่อป no. mm. <sucks. S 2> ิดตัวน้นเลยก็ได no. ้เนาะปิดหมดเลยก็ได้ปิดหมดเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันงอมันมันนมันจะได้บินออกไงนอกข้างหลังเนี่ยเป็นธรรมชาติของที่นี่นะเขามาเล่นไฟก็เหมือนกับคนเรานะเราก็บางทีก็ชอบแสง แสงสีแสงสีนทีก็เสียเงินเสียทองเปกับเรื่องแสงสีนี่แหละเนาะัรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ทันนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงความคิดมีอยู่สองอย่างเนาะความคิดแบบตั้งใจคิดกับไม่ได้ตั้งใจคิดตั้งใจคิดนี่คือเช็คในการในงานเราคิดจบก็จบแต่อีกการหนึ่งคือที่มันมีมากๆคือคิดโดยไม่ตั้งใจคิดอันนี้วันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่และที่เราเหนื่อยเราเพลียเนี่ยเพราะตัวที่สองไม่เยอะ แต่มาอยู่ที่นี่นะระหว่างที่มาฝึกปฏิบัตินะทิ้งหมดเลยนะต่างใจคิดกันไมเอาม่ต่างใจคิดกันไมากลับมารู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวมันเด่นนะทำตรงนี้บ่อยๆทาตรงนี้เรื่อยๆนะซึ่งความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะเป็นตาใจที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการดูเข้าไปในกายในใจของเราดูเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้เราเนะี่ยไม่หลงเพลิพน ไปกับความสุขและก็ไม่ไม่ผักไสความทุกข์ความสุขความทุกข์เป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเหมือนธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมข้างนอกอาจจะเป็นลมพัดดินฟ้าอากาศมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่รู้ตันเราไม่มีตาที่จะดูตรงนี้เราก็จะหลงไปในความทุกข์หลงไปในความสุขมีตัวเราเ็ไปในความทุกข์ คือตัวเราเข้าไปในความสุขเราทุกข์เราสุขแต่ถ้าเรามีตาคือความรู้สึกตัวเนี่ยน้ ม, มันจะเกิดการไถ่ถอนออกมาเกิดการปล่อยวางเองโดยธรรมชาตินั้ำ ม, มันก็จะเหนว่าสุขหรทุกข์เนี่ยก็เป็นเป็นธรรมชาติที่เขาเกิดแล้วเขาก็ผ่านเหมือนอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยมันปวดมันเมื่อยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็บอกเราปรวดเราปรวดเราเมื่อยเราทนไม่ไหว แต่ถ้าเรามีสติดูเนี่ยเราก็จะเห็นมาการปวดอาการเมื่อยมันก็เป็นอาการปวดเมื่อยเป็นธรรมดาใจเราเนี่ยก็ปล่อยวางได้นะมันไม่ไปยึดถือว่าโอ้โหมันปวดมันจะต้องหายปวดอะไรอย่างนั้นอั น, นนี้บางทีเราหมุกหมิดขึ้นมาอั น, านนี้ไม่จะเป็นกลไกที่มันเกิดขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวชัดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นการปวดการเมื่อยเนี่ยเป็นความทุกข์ของกาย ซึ่งเราสามารถแก้ไขด้วยการเปลี่ยนบันเทาเปลี่ยนเอียดบมันก็จะหายนะความทุกข์อันนี้เปีน่นเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นประจำสังขาร น, นะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะมันดับไปได้เหมือนกับการหิวเนี่ยเราหิวเนี่ยเราก็ต้องกินเราหิวแล้่เราไม่กินไม่ได้เดี๋ยวก็ตายนะแต่ความทุกข์ที่เราให้ความสนใจก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความคิด จากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดเทียกว่าทุกอริยสัจนะตรง น, นี้เนี่ยเราต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนี่แหละมาเรียนรู้มันแล้วก็มาเห็นมันเห็นความจริงของมันนะมันก็จะเกิดการปล่อยวางแล้วมันก็จะเห็นความทุกข์โอ้ความทุกข์นันก็เป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นนะเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป แต่ที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราเราไปจําไปจําไปย้ําไปเลี้ยงเอาความความคิดเก่าๆหรือว่าความสุขเก่าๆอารมณ์เก่าๆขึ้นมาอีกนามันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเกิดการวยวนได้แต่เกิดเขาเรียกว่าสังสารวัตเพราะนั้นการม่สังสารวัตรหรือยืนได้แต่เกิดเนี่ยนาเราไม่ต้องได็คํานึงว่าโอ้เดี๋ยวเราตายเมื่อยุแปดสิบเ้าสิบอ่นแล้วมันไกลไปไอ้เนี่ยสังสารวัตปัจจุบันเนี่ยทุกขณะจิตเนี่ย ไอ้ตรงนี้น่าสนใจมากกว่าและเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายเป็นสิ่งที่จะทําทให้เราแก้ความทุกข์ได้สิ่งที่เราจะทำให้เกิดการดับทุกข์ได้นะเราทาได้ในปัจจุบันด้วยนะด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนั่นเองบางคนจะสงสัยเอ๊ะแค่รู้สึกตัวอย่างเดียวแล้วปัญญามันไม่มีหรือจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยมันประกอบไปด้วยสติและปัญญาอยู่แล้วเพราะปัญญาก็คือเห็นความจริงของร่างกาย ที่มันมีการเคลื่อนมีการไหวมีการปวดมีการเมื่อยนมีร้อนมีหนาวนมีสบายมีไม่สบายเมืเ่อเนเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการสัมผัสรู้ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดหายเหตุอาผลหไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการเราไปอ่านหนังสือธรรมะแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยนะสังขารมันเป็นทุกข์นะร่างกายมันเป็นทุกข์นะ อันนี้มันคิดรู้มันไม่ได้รู้จริงๆแต่การที่เราฝึกปฏิบัติแล้วเราสัมผัสรู้เห็นมันจริงๆมันปวดมันเมื่อจริงๆนะอันเนี้ยนะนนเป็นความรู้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการไปอ่านเพราะฉะนั้นการมาฝึกปฏิบัติที่วัดป่าสุกโตนีนะอยากจะแนะนำถ้าจะให้เราเนะี่ยอย่าไปอ่านหนังสือเลยหนังสือที่มีอทั้งหมดนะทิ้งให้หมดเลยนะ แล้วมาทำอะไรมาอ่านกายอ่านใจเครื่องมือที่จะใช้ในการอ่านคือความรู้สึกตัวตรงเนี้ยเอากายเอาใจเนี่ยเป็นดําราเอาความรู้สึกตัวเป็นนักศึกษามองลงไปงตรงๆเพราะหนังสือเนี่ยเป็นเหมือนแผนที่เราดูแผนที่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจะไม่เดินทางสัทีมันจะถึงไหมมันก็ไม่ถึงแล้วบางทีดูมากๆเลยนะมันทาให้เกิดการสงสัยมากขึ้น เอ๊อาจารย์คนนี้ว่าอย่างนี้อาจารย์คนนี้ว่าอย่างนี้แล้วมันจะอย่างไงมันก็จะเกิดความสงสัยเพราะนั้นวิธีการฝึกที่จะเร็วเนี่ยทิ้งหนังสือเลยเหมือนพระเทียนเนี่ยท่านไม่รู้หนังสือนะแต่ท่านเข้าใจธรรมะได้อันนี้มันน่าสนใจว่าท่านรู้ได้อย่างไงท่านไม่ได้ดูหนังสือเลยเพราะนั้นอาตมาคิดว่าทุกคนอ่านหนังสือมาเยอะแล้วแล้วก็อ่านมามากเลยแล้วก็สงสัย เระนันท่อหนังสือเลยแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยพร้อมที่ระเชิญทุกสิ่ง ท, งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ในการปฏิบัติเนี่ยงานเมื่อเรามาดูที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยงานมันก็จะไปเห็นความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาเวทนานี้ไม่ใช่หน่าสงสารนะภาษาไทยเราเนี่ ย, ย, ว เ, ยเวทนาคือน่าสงสารแต่ภาษาบาลีหมายถึงความรู้สึกพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ ปวดเมื่อยเย็นร้อนอะไรพวกนี้นี่คือความรู้สึกเวทนาภาษาอังกฤษเรียกว่า feeling มันมีเพราะนั้นตรงนี้มันจะเห็นสิ่งที่เป็นเป็นนามธรรมเข้าไปนะแล้วเราดูไปบ่อยๆมันจะเห็นความคิดความคิดเป็นอาการของจิตอันหนึง่งที่มันคิดนู่คิดนี่คิดนั่นแล้วมันกระโดดไปกระโดดมานะอันนี้เราจะได้เห็นนะแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมะธรรมชาติที่พวกเราจะเจอสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ เราเรียกมันวน่ามิวรมิวร์มันเราทมิวนคือเครื่องกลางกัน้นกลางกั้นมาหรือรู้สึกตัวหรือไม่ได้เห็นความจริงโดยเฉพาะความน่วงความน่วงเราจะเจอก่อนเลยมาเสมอหน้าเลยเพราะความน่วงเลยนะถ้าคนที่ใจไม่แข็งไม่อดทนพอจะยอมแพ้ไม่ายๆโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้คนที่เริ่มต้นใหม่แล้วไม่มี กะระยะ น, นิดไม่มีครูบาอาจารย์คอยดูแลริจัยเราไม่แข้มแข็งพอเนี่ยเดี๋ยวทําไปสักพักหนึ่ง่องกลับกุตินอนแล้วกลับที่พักนอนแล้วพอตืน่นขึ้นมาก็ทําใหม่เ่วงก็ปนอนอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยสุดท้ายมาวัดป่าสุกโตไม่เห็นมีอะไรเลยเ่วงจะตไปเ้ยฝึกปฏิบัติบั น, นี้ถ้าจะไม่ถูกจริตนิสัยของเราแล้วมั้งอ่าเป็นอย่างนั้นทีนี้คนนี้เขามีความอดทนขเขาเข้าใจเนี่ย เขาจะต้องพยายามฝืนมันก่อนฝืนมันก่อนมันจะเลื่องก็เลื่องไปแต่เราจะเดินโยงกลมเราก็เดินต่อสร้างจังหวะต่อสู้กับมันดึงกับมันถ้ามั่งมันเลื่องสร้างจังหวะช้าๆมันเลื่องทําให้โล่งขึ้นถ้าทําร็แล้วมันยังไม่หายเลื่องหยุดสักพักรูปมือรูปตัวรูปหน้ารูปตาดึงหูเล่นมองท้องฟ้าลโลกๆแก้อารมณ์ให้มันตื่นแล้วก็เริ่มทําใหม่ ถ้าทําไม่ได้แล้วลุบเดนเลยอย่าไปทุ่มซื้อมันนะที่บางกนโอ้นั่งหลับตายกมือนะั่นนะ่นทะ่าสภาเนี่ยความร่วงเนะี่ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นมรณะที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นบทเรียนบทแรกสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ความรุ่งเพราะความรุ่งเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคนะนะเป็นอุปกรณ์ในการเรียนเป็นแบบฝึกหัดที่เราเรียนนอกจากนั้นจะมีความฟาุ้งซ่าน โอ้ยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนู้นอยู่ที่บ้านเมนคิดขนาดนี้เลยตัวที่บ้านเลยเราไม่ได้ดูเราไม่ได้เห็น ม, มันจริงจมันก็คิดอย่างนี้แหละแต่เรามีเรื่องนู้นเรื่องนี้นนสนใจไงพอเรามาทำโอ้โหฟุ้งซ่านน่าดูเลยที่เนี้ยมันเงียบสงบเพราะฉะนั้นมันจะให้เห็นปรากฏการณ์ของอาการหนูจิตที่มันจะแสดงออกมาความฟุ้งซ่านความง่วงนะบางทีทำไปทำไปเอ๊มันถูกหรือเปล่าเนี่ยสงสัยลังเล ข, ขึ้นมา หมือบางคนเนี่ยเคยไปฝึกแบบนั่งหลับตามายกน้ายกหนื้อมันไม่ใช่หรือไม่พระพุทธเจ้ามารสานนี้เลิกทําไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความสงสัยลังเลนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะแสดงออกมาที่จะให้เราด้วยดูวิคือแบบฝึกหัดเป็นตําราเรียนจริงๆเราไม่ต้องไปอ่านหนังสือเขาว่านิวรณ์ห้วเป็นอย่นั้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยนี้แหละของจริงเรียนรู้จากของจริงนะอาจารย์ทรงจริงใจกันว่า กรรฐานปฏิบัติการไม่ใช่กรรมฐานวิชากา ร, ตการแต้เรื่องนั้นมาที่ไม่อย่าเสียเวลาไปกับเรื่องการอ่านหนังสือการฟังเทพธรรมะมีนะบางคนน่ะเดินจงกลมไปด้วยแล้วก็เอาซีดีใส่หูเดินไปฟังเพลินนะเรียกว่ากล่อมกล่อมตัวเองอ้ น, นั้นก็ไม่ต้องใช้ไงเราออกมันม้องใช้เลยมันมันเหมือนเล่นทางออดอะ่ะเหมือนเราจะสัมผัสอะไรเราใส่ถุงมืออ่ะ มันไม่ได้จับของจริงเพราะฉะนั้นเอาออกเลยสัมผัสจริงๆเลยความเรื่องความเบือ่อความฟุ้งซ่านเนี่ยความมุดหงิดนะอันนี้มันจะเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยใหม่ๆมันจะเจอห น, นี้ซึ่งอันนี้เป็นความทุกข์เพราะั้นอรซ า, าสก็แล้ถึงบอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เพราะฉะนั้นทุกคนมาปฏิบัตินี่นจะเจอหมดแหละแต่มาไปฝึกใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง เพราะที่มาชิญบางทีนะทําไปเรื่อยๆเออมาหลายเงื่อนทำไมเฉยๆนะบางทีเดินมันตึงขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะนี่คนที่เดินมากๆบ่อยๆทําซ้ำแล้วซ้ําอีกเนี่ยบางทีตัวเบาก็มีอ๋อมีความสุขมีปิติซาบซ่านขึ้นมานะอันนี้ก็อย่าไปติดมันผ่านมันไม่กันนะเหมือนเราเดินทางเนี่ยจากกรุงเทพมาชัยภูมิเนี่ยเราขึ้นรถผ่านแต่และจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ย เราก็เห็นระหว่างทางเรารู้หมดมีอะไรการจเจริญสติก็เหมือนกันแล้วก็ผ่า น, นอารมณ์ทุกๆอารมณ์ทั้งอารมณ์ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนะเราดูมันเฉยๆเราไม่ต้องไปพอใจไม่พอใจนะเราดูแล้วก็ผ่านดูแล้วก็ผ่านนะตรงนี้มันก็จะได้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงแท้มันแปรปลวนมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะ ตรง น, นี้มันก็จะทำให้เราได้สัมผัสกับจิตใจที่เป็นปกตินะซึ่งจิตใจปกตินี่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราแต่เมื่อเราสวดมนั้นเขาบอกว่าที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการที่เราเห็นความจริงในอริยสัจสี่ตรงนะ น, นี้ก็คือการที่เราเห็นความจริงของความทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ความทุกข์ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกทนไม่ได้ไม่พอใจขึ้นมา สาเหตุก็คือเราหลงหลงไปในอารมณ์เหล่านั้นหลงไปในความคิดเหล่านั้นนะวิธีการแก้ก็คือกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆเริ่มจากรู้สึกที่กายก่อนนะแล้วก็ไปรู้ที่เวทนารู้ที่จิตรู้ที่ธรรมนะตรงนี้มันก็จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแล้วเราก็จะพบกับภาวะที่มันเป็นปกติอ่ะที่มันมีอยู่แล้วอ่นะที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราแล้วนี่คือบ้านที่แท้จริง เป็นที่พื่งที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นได้บ่อยๆตรงนี้เนี่ยนะการที่เราสัมผัสกับจิตที่ปกติบ่อยๆเนี่ยนะจะทําให้เรามีความอิ่มอกอิ่มใจนะแล้วก็มีความสดชื่นในชีวิตมีชีวิตนี้มีชีวาขึ้นนะจิตใจที่แห้งเหี่ยวจิตใจที่ร้อนรุ่มมันจะชุ่มเย็นขึ้นมานะอันนี้ก็เกิดจากการที่เราจเจริญสตินั่นเองเพราะฉะนั้น ที่เรามากันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยในสิ่งที่เราจะทำก็คือการมาเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานสี่โดยเฉพาะการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวอีกระเ บ, บิดใหญ่ก็คือนั่งกับเดินอันนี้เป็นรูปแบบแลวนะมีเวลาว่างเมื่อไรทำนี้อยู่ที่นี่ไม่มีใครคว่าเลยนะอย่าเอาเวลาไปพูดไปคุยไปสันานาิการพูดคุยมาจากไหนที่ไหนเสียเวลา ถ้าจะสำนักนาการอย่างนั้นอ่ะไปอยู่ข้างนอกเถอะอยางนัวัดปาสุกโตเลยเสียเวลาเปล่าๆแต่ที่นี่เนี่ยหลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยท่านก็มีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นที่ฝึกเจริญสติสําหรับคนที่จะมาฝึกเจริญสติเป็นสถาบันสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นวัดที่จะมาส่วนเสียให้ามาทําบุญสุนทามกันนะซึ่งเหล่านั้นน่ะเราทํามามากแล้ว นะเราอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านทำมามากแล้วมันก็ได้ความสบายใจแต่มันก็ได้มันก็ยังแก้ทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นเรามาที่นี่เนะี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องนี้นะ่ะเพื่อที่จะแก้ทุกข์นะเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตเข้าใจทุกข์หาทางออกจากทุกข์ให้ได้นะ่ะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลววิสัยนะ่ะเพียงแต่ว่าเราเจ้าจริงหรือเปล่าล่ะหรือเราเจาเล่นเล่นถ้าเราเล่นเล่นมันก็ได้ของเล่นๆ แต่ถ้าเราจริงมันก็ได้ของจริงนะจริงหมายถึงอะไรเราทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เตืนยันหลับทำในรูปแบบให้มัง่งมัจะเป็นคนใหม่คนเก่าก็ตามหรือคนรีบพุ่งมาใหม่แล้วจะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้าไม่รู้จริงๆควรหากัลายาณมิตรนาหรือครูบาอาจารย์นาะที่จะแ น, นนะนานาแล้วก็ทำย่นมาแล้ว ไม่ทำอะไรมาอยู่เชฉยๆมาจรินกินเล่นๆ่นคุยกันไปสนุกสนานเนี่ฮะเส้นตรงนี้เสียดายเวลาเนาะที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาผิดที่แล้วละ่ะมาพูดอย่างนี้มาผิดที่มาผิดวัดแล้วละ่ะแต่ถ้าใครมาเพื่อจุดประสงค์อันนี้แต่ถ้ามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจมานด้วยการเจริญสติมาถูกที่แล้วแล้วโดยจะได้ยิ่งการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวนะ ถ้าจะมาแล้วมานั่งนุ่งนงหลับตานะมีที่อื่นที่ดีกว่านี้ที่นี่ที่นี่มันเหมาะเหมาะกับการเคลื่อนไหวนะเพราะนั้นถ้ามานั่งนุ่งนงหลับตาเนะี่ยนะมันก็จะเหมือนไม่เหมือนคนที่นี่เขาอาจจะทํำให้เรารู้สึกแบกแยกขึ้นมาเพราะเพราะนั้นมาที่นี่เนี่ยให้เคลื่อนไหวมากๆให้ทําบ่อยๆนอกจากในรูปแบบนะั้วจลืมในกิจวัตรประจําวันตั้งแต่ตียงยันหลั ตื่มนานขึ้นมาเนี่ยให้รู้สึกตัวก่อนหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกเข้าออกพลิกมือเล่นนะให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับมือกับตัวลุกขึ้นด้วยความรู้สึกตัวพัดผ้าด้วยความรู้สึกตัวนะล้างหน้าล้างตาใจเนี่ยอยู่กับนือกับตัวแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวเดินมาด้วยความรู้สึกตัวอย่าเดินมาแล้วคุยกัน การคุยกันเนี่ยมันเผอไปละวนะดูเพราะคนที่ตั้งใจจะมาฝึกเนี่ยดูคนเดียวเงียบๆเลยทำไมาอาจารย์อาตมามาที่นี่คนมันไม่ก็เยอะเนี่ยอาจมาไม่สนใจใครเลยนะอยูคนเดียวเงียบ เ, เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ช่วยงานนะก็ช่วยงานอยู่บ้างนะแต่สําหรับคนที่มาเข้าคอเนี่ยช่วยงานบ้างนิดหน่อยแล้วจะรยงศิลป์คงจะแบ่งงานใหนะ้ช่วยนิดหน่อยแต่อย่าเอางานเป็นหลัก เอาการเจริญสติเป็นหลักอันดับแรกเลยนะมาที่นี่ทำเรื่องนี้เถอนะจะได้ไม่เสียเวลาที่มาแล้วก็ไม่เสียความตั้งใจในะการที่มาที่นีนะ่นอกจากการฝึกในรูปแบบฝึกนอกรูปแบบในกิจวัตรประจาวันไม่ต ก, การขบฉันการกินการตักอาหารนะสังเกตนะคนที่มีสติเนะี่ยเขาจะตักไม่มีเสียงเลยนะไม่มีกรกงเก้กงเ ก, งเกอะไรนะไม่มี แต่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวพี่มีชาเราจะเห็นนะคนมีสติกับคนไม่มีสติเราจะเห็นนะคนที่ไม่มีสตินกุ๊กก๊กก๊กเก๊กตึต้ตึ้งตึงเสียงดังมากนะแต่คนที่มีสตินะเขาจะตักเบาๆเขารู้ตัวอาด้งได้เงียบๆอันนี่ก็คือฝึกสติฝึกสติกับการตักอาหารตักการขบฉันมาเราจะไปคิดว่าโอ้ฝึกสติไม่แค่ในรูปแบบพอออกรูปแบบก็เลิกกัน อันนันเนี่ยมันจะทำให้การจเจริญสติของเราขาดช่วงไปเพราะฉะนั้นการจเจริญสติเนี่ยต้องให้เปการต่อเนื่องในกิจวัตรประจําวันเจตนาเขาเ้าไปเลยที่จะรู้สึกตัวกินข้าวหักข้าวใส่ปากเคี้ยวรับนิรภัยนะเคี้ยวละเอียดแต่ก่อนนี้เรารีบกินแล้วรีบกินรีบกินรีบกินแล้วจะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้หมดพลาดโ อ, อ ก, กาสที่จะได้เรียนรู้สติกับกิจวัตรประจําวัน อาบาน้ําถ้าอาบาน้ําด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ตงงวงน้ําหรอกแล้วร่างกายเราจะสะอาดแปลงฟงันก็เหมือนกันนาแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่รีบแต่ก่อนนี้เราแปลงไปเราคิดไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่ตอนนี้เราแไปลงไปเรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวนีาแม้แต่การขับถ่ายนาสังเกตนะการขับถ่ายก็รู้สึกตัวได้ซึ่งจะไม่มีอะไรพระต่ายพิดกวาชพจะเจ้าที่ท่านละเอียดอ่อนมากเพราะนั้น ในกิจกรรมประจุบันทุกอย่างเนี่ยพยานยา ม, มีความรู้สึกตัวเข้าไปาในทุกๆ ก, กิจกรรมตรงนี้จะทำให้การจเจริญสติของเราต่อเนื่องมาเป็นลูกโซ่แล้วมันจะเปิดนิสัยนิสัยอย่งความรู้สึกตัวตาในคือตาใจเนี่ยที่มันปิดไว้เนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาเป็นตาพิเศษหลวงพ่อเขียนใจกันว่าตาพิเศษตาตัวนี้แหละที่เราจะใช้สอบส่องดูเข้าไปาใ น, ในใจของเรา เห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเราแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆเมื่อตัวเรามาไประสัมผัสกับโลกข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสกับข้างนอกแล้วมันเกิดความคิดอะไรเกิดอารมณ์ยังไงเราจะเห็นทันมันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปิดตาวิเศษขึ้นมาเปิดตาใจขึ้นมาซึ่งเรามีอยู่แล้วเหมือ น, นแบบที่เราบอกว่าเบิกเมตพระพุทธลูกอะ จริงๆไม่ต้องเลเบิกหลักเรามาเบิกตัว เ, เองนี่แหละคือตาพุท ธ, ธะที่มีอยู่ในตัวเรามานะตรงนี้ถ้าเราทําตรงนี้ได้มันจะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญมานะที่ตรงนี้เราดาเนินชีวิตต่อไปได้นะด้วยความเป็นปกติสุขแลนะชีวิตของเราก็จะสัมผัสกับความเป็นปกติสุขได้บ่อยๆมีเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเราเป็นความสุขที่มีอยู่ในทุกๆคน แล้ก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องไปเส้อหาที่ไหนแเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วเราสามารถอยู่คนเดียวได้เราไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งวัตถุข้างนอกมากจนเกินไปเราพึ่งวัตถุข้างโลกพอเหมาะพอดีไม่มากไม่มไน้อยเกินไปตรงนี้ก็จะมีที่พึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทให้เรามีความสุขอีกแบบหนึง่งที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุข้างนอกมากจนเกินไปเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในของเรา ก็คือความเปปกติสุขบ่อยๆเรื่อยๆมาอยู่เจ็วันนี้อาจจะสัมผัสบ้านิดๆหน่อยๆมาหรือบางคนสัมผัสได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชีวิตที่ยังมีอยู่อย่าประมาทนะให้ศึกษาเรื่องตรงนี้จริงๆนะก็จะได้รับประโยชน์ในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมนที่วัดป่าสุขตะแ่งนี้นะก็ตรงนี้ก็หวังว่าพวกเรา านะจะได้ใช้เวลาทุกเวลานาะทีที่อยู่ที่นี่ให้เกิดประโยชน์นะเพื่อสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาะที่เราเรียกว่าพันิพภานผะลที่เบียดหมายในะทุกคนเลยนะเวลาไปขอระชาบวชเนี่ยจะ ต, ต้องมีเป้าหมายอนนะี้คือเพื่อพนิชภานไม่ได้บวชมายอยู่เฉยๆแล้วมาอยู่ที่วัดเนี่ก็ไม่ได้เจตนาที่จะมาอยู่เฉยๆแต่การมนิพอมันมั น, นะมนควเราจะมองไกลามาก จริงๆมันก็คือสภาวะที่เป็นปกติของใจนั่นเองเพียงแต่ว่ามันจะปกติมากหรือน้อยแล้วก็ตลอดไปได้อย่างไรนะเราสมัมผัสทีละเล็กิีละ้อยเนี่ยก็เป็นนิพพานน้อยๆที่จางพุะธทาสกายพูดไว้นะเป็นสิ่งที่เราสมัมผัสได้ถ้าเราไม่มีนิพพานตัวเนี้ยเราบ้าไปแล้วเราเป็นโลกประสาทไปแล้วเพราะนั้นตรงนี้มันช่วยทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นปกติสุขมาจนถึงวันนี้แล้วถ้าเรา ศึกษาบ่อยๆมองก็ไปเรื่อยๆฝึกก็ไปเรื่อยๆมันก็จะมีความเป็นปกติที่ต่อเ น, นื่องกันไปนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พุทธองค์ได้พูดไว้เมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วและเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้เป็นสิ่งที่เราควรจะพิสูจนะ์ด้วยตัวของเราเองอย่าไปเชื่อสิ่งที่พูดไปทั้งหมด น, นี้อย่าเชื่อทิ้ ง, งหมดแล้วนะแล้วไม่ต้องจําไปปฏิบัติให้เกิดความรู้ของตัวเอง จริงๆอันนี้จะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงๆครก็พูดมานหน้าพอสมควรไม่รู้เบื่อหรือเปล่านะก็ต้องขอโทษด้วย อ, อาจจะย์กินเวลามากไป น, นิดนึงนองจากเห็นว่าคนใหม่มามาใหม่แล้วก็อยากจะให้ได้เห็นเป้าหมายของตามมาแล้วก็วิธีการในการปฏิบัติงานที่เราสามารถจะทําได้อาตมาเรียกว่าการรมฐานสะบวกทำนะอันเนี้ ทำเถอะนะทำจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่จะทำได้ไม่ว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นอกอนดับในท้ายที่สุดนี้นะครับขององค์กของพระสิริรัตน์ไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะนะที่เราได้ฝึกฝนนั่นเองพระธรรมคือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงปรากฏ ทั้งที่เกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนะแล้วก็พระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของตัวเรานั่นเองนะการเจริญสตนะิเพื่อเปิดตาใจนะให้มันตื่นขึ้นนะเพื่อมาเห็นความจริงของชีวิตของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเพื่อที่ได้สัมผัสกับความเป็นปกตนะิของใจนะ ให้ได้ทุกเมื่อทุกเมื่อนะแล้วก็ขอให้มีความเพียรความเบียาม์มีความอดทนนะต่ออารมณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกนะจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายก็ตามให้รู้เท่าทันให้มีความอมดทนแล้วก็มีความเพียรธรรมาก็ชื่อว่าด้วยสิ่งเหล่านีนะ้จะเป็นเครื่องห น, นุนน้ำเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงที่สุดแห่งทุกนะ ในวันนี้โดยทั่หน้ากันเทินจรรยพร